อีกพระหนึ่งูดเจ้าได้เดินไปกับพระนนท์แล้วก็ผ่านาทุ่งนาแห่งหนึ่งแล้วก็บังเอิญเห็นเห็นเงินตกอยู่นะเงินก็คงจะ มีจำนวนพอสมควรมีคนทําตกเอาไว้ผู้เจ้าก็ตัดกับผ้านนนวันเนี่ยเห็นไหมอสารพิษทรงตัดกับผ้านนนวันีนเงินเกยดกับมันก็อสรพิษอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นคำเปรียบเปรยที่ได้ยินกันบ่อยในหมู่พระนคะครับแล้วก็เปรียบว่าเนี่ยเงเินคือสารพิษจะที่จริงไม่ใช่เฉพาะเงินนะธรรมะนี่ก็เปรียบได้กับสารพิษเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนได้พูดเท่าไหร่พดูดตัดว่าผู้ที่ศึกษาธรรม นะถ้าถ้าศึกษาไม่ดีเช่นศึกษาเพื่อยกตนคนท่านเพื่อรับสักการะก็เปรียบเหมือนกับคนที่ต้องการจับงูพิษนะแต่ว่าจับไม่เป็นงูมันก็ฉกแต่ไม่ตายหรือปางตายได้ หลายคนก็าจสงสัยว่าทำบมานี่เปลี่ยมก็อสศรพิษได้เชียวหรือแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตัดเบ็ดเทียบเอาไว้ทำบมานี่มีประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีโทษเหมือนกันถ้าใช้ไม่เป็น ก็เหมือการบวชพระหรือว่าเพศบรรพชิตเนี่ยพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับว่ายาคาเนี่ยถ้าถ้าจับไว้ไม่ดีนะมันก็บาดมือได้แลการถือเพศพรมจารือบรรพชิตเนี่ย ถ้าปฏิวัติไม่ถูกต้องก็พาลงนรกได้ของดีมีประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษนะในทางตรงข้ามเนี่ยของที่ดูว่าไม่มีประโยชน์แต่ใช้เป็นก็เกิดคุณได้เช่นวัะพืชหรือพวก นาำนะหรือว่าต้นไม้ที่ไร้ประโยชน์นี่ดูเหมือนไร้ประโยชน์แต่ว่าก็เอามาใช้เป็นยาได้เคยพูดไปแล้วนะหมอชีวกออกไปหาพืชรอบเมืองตักศิลาอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปหาดูซิว่ามีต้นไม้อะไรบางที่ทำเป็นยาไม่ได้ ออกไปหาหมดเลยรอบเมืองแล้วก็หลายวันก็มารายงานล้วยฮะพืชทุกอย่างเป็นยาได้หมดซึ่งอันนี้ก็รวมถึงวัชพืชรวมถึงพวกหมามุยอยตพิษมยล่าพวกนี้ที่ใครๆอยากจะทำลายเพราะว่ารบ ก, กวนมันก็เป็นยาได้ กิเลสตัณหาเอามาใช้ให้เป็นก็เกิดคุณได้ในทางตรงข้ามนะธรรมะนี่ถ้าใช้ไม่เป็นนะก็เกิดโทษใช้ไม่เป็นนี่ก็หมายถึงว่าเช่นศึกษาศึกษาด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือว่าศึกษาแบบไม่ถูกวิธีจุดมุ่งหมาย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 หรือว่าอย่างต่ำๆก็เพื่อไปดูถูกคนยิ่งเรียนสูงก็มีโอโนา โ, โนแบบนี้มากเมื่อสักเจ็0สิบแปดสิบปีก่อนนี้ก็มีพระราชาคณะท่านหนึ่งนะท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลต่อหลังก็ ได้รับเลื่อนสมรศัก์สูงขึ้นเรื่อยๆจนทั่เป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นหนึงสังฆนายกนะสมัยก่อนนี่มันมีสังฆนายยกนะไม่ได้มีแค่สังฆราชเท่านั้นมีสังฆนายยกด้วยพระราชาคณะท่นนี้ตอนที่เป็นเจ้าคณะมณฑลอุบล น, นี่ก็ถ้าลรังเกียจพระป่ามาก ท่านนี่่าเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องไม่มีวิชาวความรู้ ง, งมงายท่านเองนี่เรียนจบประโยคประโยคปริญญาเอกปริญนเอกมีความรู้สูงด้านปริยัติแล้วท่านก็รังเกียจพระปฏิบัติหาว่าไม่มีความรู้งมงายบังเอิญอุบลนี่ก็เป็น เป็นเป็นจังหวัดที่มีลูกเสืลูกหาหลวงปู่มั่นเยอะหลวงปู่เสาท่านพาญาติพาพระญาติโยมมาทุ ด, ดงแถวเนี่ยแถวม่วงสามสบในเขตอุบลท่านก็เจ้าคณะมณฑลอุบลก็สั่งให้เจ้าคณำเพอนี้ไล่ ได้ออกไปจากพื้นที่ออกจากเขตปกครองท่านังเกียตมากเพรานทนที่เป็นธรรมยุทย์เหมือนกันเพราะทันคิดว่าพูกเนี่ยไม่มีความรู้อะไรพอไม่ศึกษาเลยเลยหนังสือนังหาไม่เรียนจงกระทั่งตอนหลังนี่ป่วยขึ้นมาป่วยแล้วก็ทำเท่าจะไม่รอด ก็ได้อาศัยอาจารย์ฟั่นอาจารย์ฟั่นท่านยังหนุ่มนะแต่ว่าท่านปฏิบัติธรรมได้ได้ได้ผลมากก็ให้อาจารย์ฟั่นมาช่วยแนะนำท่านก็สอนกรรมฐานให้ให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นขันมันเป็นพิจารณาร่างกายว่าเป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลม ท่านไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยท่านไฟท่านดินท่านน้ํท่านลมมันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยแต่แต่เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันถึงเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านก็พิจารณานะแล้วก็เออเห็นผลนะมันช่วยลดความเจ็บปวดไปได้เยอะตอนหลังก็เริ่มศรัทธาการปฏิบัติก็ เกิดความเคารพนะศรัทธาหลวงปู่มั่นในขนาดลูกศิษย์ขนาดนี้นะแล้วอาจารย์ในขนาดไหนจริทงท่านเจอท่านพ่อรีนะท่านพ่อรีนี่ก็ก็สอนสมาธิให้ก็เกิดศรัทธาการปฏิบัติพอเจอหลวงปู่มันนะ่นก็เลยสงสัยว่า ท่านเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเลยแล้วทำไมถึงธรรมะถึงแตกฉานสอนธรรมะจะลึกซึ้งหลวงปู่มั่งก็ตอบว่า น, นี่สําหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญาท่านก็เลยเห็เราเข้าใจผิดนะว่า มันต้องเรียนตำรับตำราเรียนจากหนังสือท่านถึงจะมีถึงจะพ้นทุกข์ได้ถึงจะรักษาศาสนาได้ตอนที่หายป่วยเพราะสมาธิท่านท่านก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิมันจะมีคุณค่าขนาดนี้คือท่านเรียกว่า เน้นแต่ปฏิเน้นต่ปริยะล้วนๆเน้นแต่ปริยะติะล้วนๆแล้วก็แทนที่จะรู้ถึงแทนที่จะรู้ว่ามันยังไม่พอต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเท่ากับดูถูกนะการปฏิบัติหรือดูถูกผู้ที่ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เมื่อศึกษามากแล้วก็แต่ว่าวางใจไม่ถูกนะมันก็กลายเป็นความหลง แล้วก็นำไปสู่การยกตนข่มท่านลังเกียดคนที่ไม่ได้ศึกษาจากตำราแต่นี่ก็ยังเบาะนะผลเสียของมันนะ่ผลเสียของการเรียนไม่ถูกวิธีก็มันมีมากกว่านี้เยอะเช่นทำให้ใช้เพื่อการแสวงหาลาภสักการะพอ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 พูดแต่ปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมในทรรมที่ตักได้ชอบแล้วปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติธรรมเฉยๆนี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่น่าไว้ใจนะมันต้องปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมด้วยเพราะปฏิบัติธรรมโดยไม่สมควรแก่ธรรมก็มีนะคือปฏิบัติธรรมผิดนะนะทำผิดวิธีทำผิดทำผิดจุดมุ่งหมาย มันก็ทำให้เกิดผลเสียได้ให้ทานแต่ให้ทานด้วยด้วยจิต ท, ที่มีกิเลสมันก็เกิดผลเสียรักษาศีลแต่รักษาศีลแทนที่จะทำเพื่อขัดเกลาวตัวเองก็ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มพูนมานณก็ได้ภาวนาภาวนาแต่ว่า ไปอยากได้ฤทธิ์อยากได้ความสมบูิเศษนะมันก็อาจจะทำให้ติดจนวราทั่งหลงตัวลืมตนคิดว่าตัสลรูอย่างพระเทวท่านนี่ก็ปฏิบัติแล้วเกิดนะเกิดได้ฤทธิ์ได้ได้ ความสามารถทางจิตพิเศษขึ้นมาก็หลงหลงตัวจนกระทั้งคิดว่าจะคิดจะไปเป็นผู้นำแทนพุทธเจ้าหรือว่าจะไม่ได้ตั้งใจเลยแต่พอมันไปติดแสงสีเข้าวางใจไม่ถูกไปยึดก็เลยหลงคิดว่าตัวเองเนะบรรลุธรรมแล้วาการปวิวัติธรรมสมควรจะทำ มันเป็นเรื่องที่ต้องอต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอคํำว่าการศึกษาธทำเนี่ยมันก็จับงูพิษเนี่ยต้องศึกษาใหเป็นถ้าศึกษาไมเป็นเสมันจับงูพิษไม่ถูกโดนงูพิษกัดเพราะว่าศึกษานี้ก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการ ศึกษาจากตำราตำราเนั้นแต่รวมถึงการปฏิบัติ ด, ด้วยปฏิบัติก็ปฏิบัติให้ถูกและถูกความว่าถูกนี้ก็รวมไปถึงว่าปฏิบัติด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอันนี้ยากนะแค่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของธรรมะแต่และข้อคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงตามความมุ่งหมายนั้นอันนี้ก็ก็ยากแล้ว เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เรียนมาจะเพลงว่าเออธรรมานิสอนว่าอย่างไงสอนให้ทำบุญศีลมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ก็รู้ว่ามันเป็นข้อข้อรู้ว่าต้องทำอย่างไรนะทำบุญหมายถึงอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สอนว่าทำเพื่ออะไรนะทำบุญก็อา้า ไสบาถวายสังกะทานท่อกระทิ้นอันนี้เรียกว่าให้ทานรักษาสี่งก็ข้อ1ก็2กข้อ็4กข้อมข้อีข้อ 5, มีอะไรบ้างถ้าสิ่งแปลก็มีอะไรบ้างออกไปปฏิบัติไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยสอนนะว่าจุด ป, ปุ่งหมายเพื่ออะไรสันโดษนะความอยู่ง่ายกิน ง, ง่ายนะเพื่ออะไร ไม่ค่อยได้สอนแต่บอกว่าเออก็ให้อยู่ง่ายง่ายให้พอใจสิ่งที่มียในสิ่งที่ได้การสอนธรรมะไม่ค่อยพูดเรื่องจุดมุ่งหมายเท่าไหร่อันนั้นก็ก็เลยปฏิบัติไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายของธรรมะแต่ละข้อบางทีก็ใช้ผิดผิดนะเช่นขณะที่กําลังฟุ้งซ่านก็ไปพยายามใครครวนธรรมะใช้ธรรมวิจยะ ก็เลยยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่หรือว่าฟุ้งซ่านอยู่แล้วยิ่งทำความเพียรหนักขึ้นมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ใช้ไม่ถูกนะระหว่างที่ฟุ้งซ่านจะต้องเอาตัวอื่นมาช่วยแทนนะเช่นสมาธิหรือว่าปิติหรือว่าอุเบกขา อูเ บ, บขาวก็เช่นว่าอะรที่มันรสร้งางเออก็ดูมันไปคิดไม่ต้องไปไปสู้แล้บตบมือกับมันนะก็แค่รู้เฉยเฉยนะไม่นองไปกดข่มมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองสมาธิก็ดีวิริยะก็ดีธรรมวิญยาะก็ดีก็เป็นของดีทั้งนั้นนะเป็นโพดเป็นอยู่ในธรรมเรียกโพชงเจ็ดโพชงเจ็ดนี่มีทั้งเจ็ดตัว แต่ว่ามันมีสองกลุ่มนะที่ใช้แตกต่างกันกลุ่มแรกนี่เป็นกลุ่มประเภททําให้กระตือรือร้นเช่นวิริยะธรรมวิจยะหรือว่าปิตินมันทําให้เกิดความกระตือรือร้นอีกกลุ่มหนึ่งทําให้ทําให้สงบนะเช่นสมาธินะ ปัสสัตธิอุเบกขาถ้าสงบอยู่แล้วนี่ไปใช้ทําฝ่ายหลังสมาธิปัสสัต t อุเบกขาก็ยิ่งเฉื่อยก็ไปใหญ่ต้องรู้ว่าธรรมะแต่ละข้อมันมีวัตถุประสงค์อย่างไรมันมีลักษณะเด่นอย่างไรลักษณะด้อยอย่างไรก็มีแต่สติเท่านั้นแหละที่พระเจ้าบอกว่าใช้ได้ทุกกรณีนะ นอกนั้นนี่ใช้ได้บางกรณีนะพอชงเจนเนี่ยถ้าเป็นสมาธิปัจ ส, สิิอุเบกขาื่องใช้เวลาที่จิตมันฟุ้งมากไปก็ต้องเอาตัวนี้เข้ามาสงบถ้าจิตมันเฉยมากไปก็ต้องใช้นะธรรมวิจยะวิริยะปิติถ้านะขืนไปใช้อี ก, อกหมวดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็ยิ่ง เตื่อยเข้าไปใหญ่ก็มีแต่สติท่านเลยพระเจ้าตาว่าใช้ได้ในทุกกรณีนี่ขอใช้ไม่เป็นนี่ก็เกิดผลเสียไม่ได้รับประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายแต่ผลเสียงนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะถ้าเทียบก็ว่าปฏิบัติธรรมกลายเป็นสนองกินเลยเพื่อหวังลาบสักการะเพื่อยกตนขมท่าน อันนี้ปฏิบัติธรรมสมควรกับทาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่สําคัญเนี่ยคือว่าปฏิบัติธรรมโดยไม่ยึดมั่นถือมัน่นอันนี้พระเจ้าก็ตัดได้เหมือนกันว่าทำของพระองค์เนี่ยเหมือนกับแพ่แพ่ที่เอาไว้ขําเอาไว้ขําฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ก็เดินตัวเปล่าได้เลยนะไม่ต้องแบกแพ่ขึ้นด้วยคืเอเราแบกคือแบกแพ่ คื้นฝังด้วยไปไหนก็แบกไป น, นี่ก็เรียกว่าโง่ละก็วางแพะไว้ตรงนั้นแหละปล่อยแพะไว้ตรงนั้นแหละดูเจ้าตาบ้านี้แม่กระทั่งกุศลธรรมนี่ก็ยังไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและนักปราชญ์เลยก็อากุศลธรรมยิงไม่ต้องพูดถึงใหญ่อันนี้เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าคนเราอดไม่ได้ที่จะยึดมั่นถือมั่น ยิ่งเห็นว่าอะไรดีแล้วก็ยิ่งก็ง่ายที่จะยึดเ่นยึดบุญยึดยึดความดีแต่พอยึดไปยึดไปใครที่ไม่ดีเหมือนตัวก็โกรธหรือบางทีก็เกลียดนะไม่เบ้นแม่ก็ทั้งคนที่เป็นลูกเกลียดลูกพ่อนี่ยเกลียดลูกแม่เกลียดลูกเพราะว่าไม่ดีอย่างที่พ่อสอนไม่ดีอย่างที่แม่แนะนำ หรือไม่ปฏิบัติตามทีแรกจะโกรธเขาโกรธไปมันเกลียดเลยนะก็อาจจะถึงขั้นทำร้ายได้หรือด่าหรือที่เห็นบ่อยๆคือใช้พอตัวเองดีแล้วใครไม่ดีมันตัวก็ปนางค่อาเป็นพวกชั่วลายเย่างนี้ก็ใช้ความดีในการทำร้ายคนอื่น หรือพอตีความดีมากก็ทำ้ายคนโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่น6ตุลาเนี่ยซึ่งเพิ่งผ่านไป39ปีเมื่อวานนี้นักศึกษาประชาชนก็ถูกฆ่าอยู่บน้าถูกทาองถูกถูกแขวนคอถูกตอกอ ก, อกนะไอ้คนที่ทำนี่ก็หลายคนก็ทำด้วยความปรารถนาดีต่อชาติสากษัตร์นะ ต้องการพิทักษ์ชาติสากลสัตว์อันนี้ไอการพิทักษ์ชาติสากลสัตว์จะเป็นของดีนะแต่ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมากก็กลายเป็นว่าใครที่คิดไม่เหมือนตัวคือพวกที่คิดลบล้มล้างนะทําลายชาติสากลสัตนะว์เพราะฉะนั้นมันก็คือพวกคนเลวต้องฆ่ามันต้องกับจัดมันให้หมดแผ่นดินไปจะได้ไม่ต้องหนักแผ่นดิน ความดีถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมากก็ทําให้ทําชั่วได้นะเผาคนทั้งเป็นเนี่ยแขนคอตอกอกถ้าคนดีๆเขาไม่ทํากันนะแต่ว่าถ้ามันยึดมั่นถือมั่นในความดีมากนะมันก็ทําได้นะเพราะว่าเห็นคนที่คิดไม่เหมือนตัวทำไม่เหมือนตัวว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นเป็นพวกมาร เป็นพวกหนักแผ่นดินรื่อย่างต่ํต่ำก็ด่าเขานะด่าทางเฟ e b ุ o k อันนี้ก็เห็นบ่อยเจออยู่ประจำคือพอหลงตัวเป็นคนดีนะใครที่อยู่คนละฝ่ากับตัวคือคนเลวเมื่อเป็นคนเลวแล้วก็ต้องก็ต้องด่ามันต้องไล่ล่ามัน ก็กลายเป็นว่าเผลอทำชั่วโดยไม่รู้ตัวนะเผลอผิดศีลอนนี่ต้องระวังนะความยึดมั่นถือมั่นนี่มันแม้ทั่งความดีถ้ายึดไปแล้วนี่มันก็เวียงนะมันก็ตีกลับทำให้กลายเป็นทำชั่วได้มันมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเกี่ยวเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนะซึ่งฟังดูเพลินเพลินก็ดีเหมือนกัน ก็มีผู้หญิงสองคนมานั่งคุยกันคนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้หาคนงานยากนะคนที่มาใช้คนใช้ในบ้านหายยากต้องไปเอาพม่ า, มาลาวคอมเมตรมาแล้วพอได้ไมาแล้วมันก็ได้ไม่ทำงานได้ไม่ไม่ไม่เป็น ได้มาแล้วก็เจอแต่คนโง่งๆทั้งนั้นเมื่อวานก็เพิ่งไล่ออกไปคนหนึ่งเป็นยังไงถึงไล่ออกนะเพื่อนก็ถามก็าเมื่อวานเนี่ฝนตก อ, อยู่กลางทํำ ง, งานอยูได้ยินเสียงคนงานมันร้องร้องไห้ก็เลยถามร้องไห้ทําไมบอกฝนตก ฝนตกหนักเลยก็เลยไปลดน้ําต้นไม้ไม่ได้เพื่อนกรถางงั้นแล้วเธอไปบอกกับคนใช้ว่า ย, ยังไงท่านก็เลยดา่าเลยไอ้ไงโง่ทําไมไม่กลางร่มนะไปลดน้ำํำนะกลางล่มนะตัวเราไม่ก็ไม่เปียกไงลดนะน้ําก็ลดได้นะตกลงใครโง่กันนะ แต่รู้นีกก็น่าสนใจนะว่าเออฝนตกแล้วเนี่ยก็ยังคิดถึงการลดน้ำต้นไม้อันนี้คนใช้ส่วนเจ้านายนี่ก็หนักหนักข้อนะก็ในเมื่ อ, อจะลดน้ำแล้วนี่ก็ฝนตกก็กลางร่มดีแล้วก็ลดน้ำไปด้วย ตอนคำขันนี่มันก็มันก็มันก็สอนได้หลายในานะที่หนึ่งคนที่ไปว่าเขาว่างโง่เนี่บางทีตัวเองโง่เขาอีกนะเมื่อใ่ก็ตามที่เราไปว่าเขานี่บางทีเราอาจจะโง่เขาสิกงนะอจ้นนายไปว่าคนงานว่างโง่นะแต่ตัวนี้กลับโง่กว่าอีกต้องขี้ปลาตือนฉลาดแนละ้วก็การล้มไปลดน้ำต้นไม้เนี่ยจะได้ไม่เปียก แต่แง่นึงก็มั น, ม, นมันก็สะท้อนเนี่ยถึงความยึดติดนะก็คือว่าในเมื่อจะลดน้ําเนี่ยก็ต้องลดน้ําให้ได้ฝนจะตกหรือไม่ตกกูก็อย่าลดน้ําเนี่ยทั้งที่ฝนตกแล้วก็ไม่มต้องลดน้ําแล้วแต่ว่าพอมันติดอยู่กับการลดน้ําว่าบ่ายสี่หรือห้ามงเย็นต้องลดน้ำํำพอมันเป็นระเบียบแล้วก็ก็ต้องลดน้ํา ฝนตกไม่ตกก็ลดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าลดน้ำเพื่ออะไรลดน้ำก็เพื่อให้ต้นไม้มันเนียมันงอกงามแต่ว่าเมื่อฝนตกแล้วก็ไม่มต้องลดน้ำแต่คนเราก็เป็นอย่างนี้นะมันก็ยึดติดในกับรูปแบบกับวิธีการเวลาไปโรงพยาบาลเวลาไปศาลธิรัชกาลก็จะมีระเบียบเยอะแยะหมดมีคนนึงอไป ติดต่อธนาคารมาไปติดต่อราชการฝ่ายราชการก็บอกว่าให้เอาแบบประชาชนมายื่นแบบประชาชนส่วนชาวบ้านก็ไม่ยอมยืน่นไม่ยอมยื่นแบบประชาชนให้ราชการก็ขออีกว่าเอาแบบประชาชนมาเขาก็ไม่ให้อีกไง เขก็รบเร้าใะหวงากบัณฑิชนแล้วพร ก, นะราากรชาชวชาบ้านก็เลยราคาญว่านี่ชั้นแม่เธอนะเป็นแม่ยังออาบาัรฑิตชนอีกนะเ น, นี่ยเพราะว่าเป็นระเบียบนี่ก็ทําตา ร, ระเบียบโดยไม่ได้สนใจว่าบัณประชาชนมีไว้เพื่ออะไรให้ยืนบัรฑิตชนไห้เพื่ออะไรอันนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น น, นี่ก็เป็นเรื่องตลกตลกแต่ว่าทีิมื่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันคนนะพระเราบางที นะก็บางทีเราเราก็ติดกับวินัยมากนะสิกขาบทนะบางทีคารว า, าก็ติดกับสิกขาบทนะที่ไม่รู้จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแ่เดี๋ยวนี้มีบางคนบอกว่าเนี่ยเวลาพระนะถ้าพระแสดงธรรมนี่และญาติโยมใส่รองเท้านี่มันอาบัตนะ ต้องให้ญาติโยมถอดรองเท้าหรือไม่พระก็ต้องไม่แสดงธรรมนะก็เพราะว่ามันมีสิขาบข้อหนึ่งว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่นะผู้สวมรองเท้าก็มีโยมคนหนึ่งแกก็ติดมากนะนั่นชัดเวลพาพรแสดงธรรมญาติโยมต้องถอดรองเท้านะเคยไปพูดนะในที่สปอร์ตคลับนะ ก็มีโยงเนี้ยมาพูดว่ า, น เ, า เ, เนี่ยเราแสดงธรรมเสก็จระบรมเนี่ยแสดงธรรมแบบคนที่เขาเขาทำลองแกล้งเป็นถามว่าสแสดงธรรมกับคนที่ใส่รองเท้านี่มันถูกต้องไหมคือเขาก็รู้แล้วว่ามันถ้าว่าตามตามวินัยมันก็มันก็อับบัตนะมันเป็นเสกียวัดเขาก็พูด ทำนองเหมือนกับว่าเตือนเราว่าเนี่ยไม่ควรแสดงทำกับคนที่ให้กับให้คนฟังที่ยังใส่รองเท้าอยู่หรือแม่ก็ต้องบอกให้ถอดรองเท้าที่จริงเนี่ยสิข้าพักนี้เนี่ยมีไว้เพื่อหมายความว่าแสดงทำกับคนที่ไม่เคารพถ้าไม่ควรแสดงทำกับคนที่ไม่เคารพประเพณีสมัยก่อนใส่รองเท้าคือไม่เคารพแต่ว่าคนที่มาฟังที่สปอยล์คลา น, นี้เขาก็ล้วนแต่เคารพทั้งนั้น ทำไมเขาล็อกเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูไลน์เขก็ไม่ได้พูดคุยกันเขาก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจนะถ้าไปเรียกร้องเขาถอดรองเท้านี่คนก็จะไม่ค่อยอยากจะมาธรรมะแทนที่จะเป็นของง่ายก็เป็นของยากมีคนจำนวนมากที่ทําให้ธรรมะกลายเป็นของยากแต่ว่าการปิดเสียงกลเป็นของง่ายไป เดี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะผิดศีนี่เป็นของง่ายทําปฏิบัติทําเป็นของยากเพราะมีระเบียบลุงลังไปหมดนี่ยต้องมาจะมาไหว้ก็ต้องใส่นุ่งขาวห่มขาวจะมาไหว้ก็ต้องกราบให้ถูกต้องเบญจังขประดิษฐ์อันนี้เหมือเทากับก็ค่อยๆกีดกันคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องระเบียบประเพณี้ออกไปหรือคนที่ไม่ค่อยรู้ประเพณี้ก็กีดกันก็ออกไป หลายคนบวกมาวัดมันยุ่งยากแบบนี้กูไม่มาดีกว่าไปผับไปบานี่มันไม่ค่อยมันไปง่ายกว่าเยอะในนี้เราทําให้การทําชั่วเป็นของง่ายการทําดีเป็นของยากเพียงแค่จะมาฟังธรรมากก็ต้องต้องถอดรองเท้าต้องทำโน่นทํานี่ต้องกราบคนมันก็เลยไม่มากันเนี่ยต้องทําให้ธรรมะเป็นของง่ายทําชั่วเป็นของยากแต่พอไปติดกับวินยัยไปติดกับกับพวกศีล พวกข้อกำหนดนี่มันทำให้ทำให้ทำมากกลายเป็นของยากไปหรือว่าทำให้การการปฏิบัติมันมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ พ, พระพุทธเจ้านี่เรื่องสิกียวัดเรื่องธรรมเทศนาปฏิสังยุนนี่จุมุ่งหมายก็เพื่อ แสดงธรรบคนที่เคารพคนที่ไม่เคารพก็อย่าไปแสดงทําให้เขาฟังแต่พอมากลายเป็นการยึดติดพอไปยึดติดกับสิกขาบทข้อเหล่านี้แล้วนี่ก็ทําให้ปฏิบัติคาดเคลื่อนจากจุดมุ่งหมายนะที่พระองค์ได้ได้บัญญัติเอาไว้บางทีเราก็ต้องดูดีๆนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องสิกขาบทเดียวเรื่องอื่นด้วยนะ การยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบพิธีกรรมหรือกรรมวิธีนี่มันก็สามารถจะทำให้เกิดความาคาดเคลื่อนได้อย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้เวลาแสดงธรรมเนี่ยก็จะมีบางคนก็ยกมือบ้างบางคนก็ไม่ยกมือไอคนที่ยกมือก็ นึกในใจว่าคนที่ไม่ยกมือนี่ไม่ปฏิบัติส่วนคนที่ไม่ยกมือก็คิดว่าเอ้อปฏิบัติต้องยกมือด้วยหรอก็เลยก็เลยยกมือไปฟังไปก็ยกมือไปสร้างจังหวะไปโดยที่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมหรือว่าอาจจะรู้ว่าทําเพื่อจลส ต, ติแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นระหว่างที่ยกมือก็ฟังก็ฟังฟังไปด้วยคิดไปด้วยเนะีย อันนี้มันก็ไม่ไม่ตรงไม่เกิดผลตามที่ควรจะเป็นจริงสมัยที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่ออมเขียนท่านสมัยที่หลวงพ่อเทียนท่านอยู่ท่านท่านเทศนี้ท่านก็ไม่ให้ใครยกมือนะทุกคนนั่งฟังอย่างสำรวมพอแล้วหลวงพ่ออมเขียนก็เหมือนกันนะเวลาแสดงธรรมท่านก็ไม่เคยบอ่อยใครยกมือ าการยกมือระหว่างฟังทมนี่มันก็เป็นของประดิษฐ์ที่มาในระยะหลังเคยไปเคยไปอภิปรายนะที่หนึ่งนะที่ที่ทำมิงขวัญระหว่างที่คนที่อภิปรายนั่งนั่งบนโต๊ะอภิปรายเนะี่ยระหว่างที่ผมพูด เขาก็ยกมือไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเขายกมือเพื่อเพื่อเจริญสติหรือยกมือแบบเพศยกไปฟังไปทำสองอย่างในเวลาเดียวกันมันก็ไม่ดีนะมันต้องทำทีละอย่างที่อย่างทำเป็นอย่างๆจุดที่จะสนใจคนนี้มีแค่จุดเดียวนะเช่นถ้ายกมือก็ก็ให้แค่ให้รู้กายไปตอนที่ยกมือก็รู้กายส่วนเสียงที่ ได้ยินก็เป็นศัพตะว่ได้ยินเสียงบรรยายก็ดีเสียงจิ้งหรีก็ดีมีค่าเสมอกันนะสาหรับผู้ที่ยกมือสร้างจังหวะก็คือว่าให้มันผ่านหูไปเวลาเสียงจิ้งหรีดังเราก็ไม่ได้สนใจเสียงจิ้งหรีก็เสียงมันก็ดังก็ดังไปแ้่รับรู้สัพตะว่ได้ยิ น, นก็ควรปฏิบัติกับเสียงบรรยายแบบนั้นแบบเดียวกับเสียงจิ้งหรีนะคือว่าศัพตะว่ได้ยิน ไม่ได้คิดจะไม่ได้พิจารณาอะไรให้มันผ่านหูไปแต่ถ้ายกมือด้วยแล้วก็ให้รู้กายด้วยแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยเนี่ยมันมีสองสองจุด ส, สนใจมันไม่ใช่แล้วปฏิบัติไปก็เพื่อรู้กายยกมือก็เพื่อรู้กายแต่ถ้าจะฟังก็ฟังอย่างมีสติก็ก็คือเอาใจอยู่กับการฟังฟังตาม คำบรรยายไปเรื่อยๆตรงไหนติดก็อย่าเพิ่งไปใคร่ควญกับมันมากก็เพราะเมื่อนั้นไปติดคอยอยู่ที่ค่อยคำบางคำบางประโยคคนบรรยายบรรยายไปไกลแล้วนี่ยังติดอยู่กับของเก่าอยู่อันนี้ก็เรียก ว, ว่ามันอยู่กับอดีตแล้วมันไม่มันไม่เป็นปัจจุบันมีมีสติการฟังคือตามไปเรื่อยๆตรงไหนไม่ไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อนตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆ หรือว่าบางทีฟังไปใจคิดเรื่องอื่นไปอ่ากลับมาอันนี้เรามีสติการฟังเวลาฟังก็ฟังนะอาจจะคลึงนิ้วอาจจะคืนนิ้วไปด้วยเพื่อไม่ให้ไม่ให้เผลอเพราะบางทีฟังไปแล้วใจลอยมีการคลึงนิ้วดึงจิตให้กลับมาอยู่กับการฟังได้แต่ถ้าหากว่าฟังไปด้วยยกยกมือไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกแล้ว ถ้ยกมือก็ให้มีสติยการฟังใ ห, ให้มีสติยการยกให้รู้กายไปไม่ต้องรู้เสียงบรรยายแต่คร น, นี้พอพอให้คนอื่นทำกันไงมันก็เลยทำกันบ้างก็เลยไม่รู้ความหมายว่ททำไปทาไมก็คิดว่าเพื่อเจริญสติแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็เหมือนก็เดินจงกรมแล้วก็ฟังไปด้วยฟังคำบรรยายไปด้วยมันกม็มันได้ผลน้อยนะ หลงที่เดินจงกลมก็ให้รู้กายไปเสียงบรรยายก็ให้เพียงแค่ผ่านรู้รู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบางช่างมันเหมือนกับเราฟังเสียงจริงหลีหรือได้ยินเสียงจริงหลีดอัอ น, นี้คนเนี่ยไปติดที่รูปแบบพอไ ป, ไปติดที่รูปแบบแล้วก็เลยทำตามๆกันโดยที่ทำโดยที่ไม่เข้าใจความหมายแถมไปคิดว่าทําอย่างนี้คือดีใครไม่ทําคือไม่ดี ไม่ปฏิบัติก็ไปว่าเขาว่าทาไมไม่ยกมือเวลาฟังมันก็ไปกันใหญ่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นศิลปตับปรามาสอย่างหนึงนะ่งศิลปตับปรามาสเนี่ยก็คือการที่ยึดติดในในรูปแบบในข้อวัดการปฏิบัติความหมายหนึ่งนาของศิลปตับปรามาสความหมายที่เลือกคือว่าการปฏิบัติที่ที่มันฉาบทาด้วย กิเลสด้วยทิฏฐิมานะด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะก็คือปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยเจือด้วยกิเลสแต่ความหมายที่ใช้โดยทั่วไปคือคการไปยุดติดที่รูปแบบยึติที่รูปแบบนะแบบเองเ ก, อก็ยกมือก็ยกมื อ, อ น, นะแต่ไม่รู้ว่ายกมื อ, มอทำไมหรือว่าก็ออ <S <S อบอกว่าให้ทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ก็ทำ จักแต่ว่าทําโดยที่ไม่รู้ความหมายนันก็เลยทําผิดเอาละชาติเนี่เพื่เท่านี้กรับ